รูปมันเป็นอย่างนี้นามมันเป็นอย่างนี้สมุดมันเป็นอย่างนี้บัญจัดมันเป็นอย่างนี้พระละมัดมันเป็นอย่างนี้เ่ยมันีมันถูกมันเป็นสากฏเป็นสากคนขอบความถูกต้องเป็นสาคนของความไม่ถูกต้องเป็นสากคนของความไม่ถูกต้องเอาไปเอามาอันเดียวกันขึ้นอ้าวพบอพดด้วมันเป็นสากลของอกุสล ความโลภความหลงมันเป็นสากลของอกุศลความไม่โกรธมันเป็นสากลของกุศลความไม่โลภไม่หลงมันเป็นสากลของกุศลความโกรธมัไม่ถูกต้องความไม่โกถูกต้องกว่าเนี่ยมันก็ไปเพลงเนี่ยควาทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรสากลอย่างนี้เป็นอันเดียวเพ่อนเห็นอันเดียวเพ่อนนายเ้าจเห็นลิมิตเห็นพระพุทธเจ้า องนี้นนีนน้่ไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงนนั่นเลยไม่ใช่ให้ดูสีเปลี่ยนพลัปกติเห็นสมาธิมันก็ใส่ใจอยู่ดูยอยู่ไม่ายเพื่อน่ายไปไหนปัญญาเราจะแก้ไขเปลี่ยนไล่กลายปเป็นดีเร็นมันคิดมันรู้สึกมันทันเปลี่ยนเป็นตัวรูปในขอปัญญาปัญญามันเป็นคูุเดียวของสีของสมาธิเป็นพลัง รูป ก, กับมันก็จับหมุนมไปห ม, มุน ไ, ไปก็ไปไปสิ่งที่มันที่หมุนไปมันก็เหยียบไปเหยียเป็นล่องเป็นทางไปอันเดียว น, นะนะไปจับเครืองด้วยมือของเราด้วยเออด้วยตาของเราเนี่ยละปฏิบัติทำอย่าไปคํานวณคิดบนเราเอาเชื่อกนที่จะเชื่อเชิงใดต้องทํามาแล้ว ถ้าเราลู่วงเป็นยังไงถ้าเราลงไปหนึ่งเลยเราได้ทําดูแล้เรารู่อยู่หลายวันพองลงก็โอ่ต่างกันก็าควงลู่เนี่ยมันเห็นอย่างนี้พอมันลู่มันก็เอาแล้วพอแล้วันโลกยกมือก็ลู่แล้วหายใจก็โลู่พิษตาก็ลู่ตัวนู้นเราไปเคลือนไปยังไงไก็โดดไปตรงไหนลองจากรถวิ่งเอาเลยไม่ใช่นั่งไปนั่นละความลู่จิตตัวเหมือนยาน ฐานะมันน้ไปบางทีเรื่อขีรถแล้วยังลงโดนอยู่ก็ไม่ทนอะไรลงไปมันหลงลงงุ้นทันทตัวลุ้กับตัวหลงมันต่างกันคนที่มีความรู้สึกตัวจะเห็นความหลง เ, เรื่องแรกก็ว่าไดา้เห็นความผิดเห็นว่าเราทุกอย่างอ้วาว ม, มันงงอ้าวมันต่างกันกับความหลงบอกว่ า, วามาหาความหลง ความคิดเพื่อนซ้ออ้าวมันต่างกันกับความรู้ก็มาหาความรู้โอ้ความรู้เนี่ยใช่ได้จริงๆความรู้ไม่ใช่ไม่ได้ความคิดเพื่อนซ้อนก็ใช่ไม่ได้ความเลสงสัยก็ใช่ไม่ได้ก็มาหาความรู้กลับมาหาความรู้สึกตัวนั่นนี่นั่นนะปฏิบัตินะอย่าไปถามใครน้องต้องถามใครมันเป็นธรรมชาติสอนเราอยู่ ธรรมะก็คือธรรมะเชิดแหละมันสอนเราอยู่ทําให้เราเห็นอยู่ฉายให้เราเห็นอยู่ถ้าไม่เห็นผิดมันจะเห็นถูกยังไงถ้าเราเห็นถูกมันจะพ้นถูกได้อย่างไรเว่าเมื่อก่อนมีคนมาจากโน่นปาบช่องมาถามแล้วมันคิดมากไม่ทนความคิดอพมันคิดคันคิดคิดมากว่าจะมานอนได้ดิประนอนไม่ได้คิดถึงลูกน้อยอได้ลูกน้อยคิดเป็นห่วงลูกน้อย บางคนคุมกันธรามะด้วยความคิดนะบางคนไปแข่งกับความคิดโต้ตอบกับความคิดเสมอบางครั้เป็นผู้ลบกันนู่ลบกตบมือกับความคิดมันก็เหนื่อยไม่ต่องลบพอมาคิดขึ้นมากลับว่าลู่สึกตัวไม่ได้ลบเลยไม่ได้โต้ตอบกับมันเลยเพียงแต่เรากลับมาลู่สึกตัวเวลาเราที่มันคิดขึ้นมาลู่กลับมาลู่สึกตัวไม่ได้หลบไม่ถือสาหาุ่มกับมัน แต่ว่าบางคนทำอย่างนั้นไม่เป็นพอมันคิดสมัคเอาผิดแล้วไม่อยากคิดมันก็คิดทำไมมันจึงคิดไปหารอยที่มันคิดแล้วทำอะไรหรู้คนแต่มันคิดว่านกจับไม้เม่อมันเดินออกมันจับตรงไหนมันเกาะตรงไหนมันก็ว่าแล้วไม่จับไปดูทําไมไม่ประโยชน์เลยเพียงแต่เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่อย่าไปลบกับความคิดถ้าพูดว่ากับความคิดมันจะ บ้าแล้วจะยำบ้าไปทุกข์ดีมาดีก็เครียดไปเลยไม่มีสาอะไรความคิดเฉยๆเราพูดบอกพูดเสมอว่าเอา้ามันไม่ายเท่ากับโยงจับเราแมงวันมันจับเราเรายังมีมือมีอะไรเป็นไล่มันสมมติความคิดเนี่ยไม่ได้มีวัตถุอะไรที่ไปเกี่ยวกับมันเพียงแต่เรากลับมารู้สึกตัวนะก็้่ายอยู่แล้วความรู้สึกตัวไม่ไดไปจับวัตถุอะไรมา มันพร้องอยู่เสมอความรู้สึกตัวตรงไหนก็ได้ยิง่งพอเราสร้างจังหวะพิกมือเนี่ยแล้วก็ทำอยู่แล้วประการนี้ค่อง่ายแท้เนี่ยแต่ไปยุ่งกับความคิดพระ่อสอนเขาไม่ต้องไปแข่งกับความคิดไม่ต้องไปสู้ลุกตกปัวกับความคิดอะไรมันเป็นธรรมชาติของเขาเสือว่าเป็นเรื่องชิดช่อยเล็กน้อยความคิดน่ยแต่ถ้าเราไปรู้ใหอ่มากหอบที่เราไป หน้าดําคําเครียดเพราะความคิด <c oughs> เป็นอย่างนั้นเอาดีๆเอาจริงๆเราโอ้ความรู้สึกตัวนี่นะความรู้สึกตัวนี่ช่วยเราเหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยละ่ะเหมือนกับพระ ธ, ธรรมเหมือนกับพระสงฆ์ความรู้สึกตัวนี่ถ้าเป็นตัวเป็นตนกเหมือนกันกับ มีช่วยร่วมครองความรู้สึกตัวเราจะกระตือรือร้นว่าเข้าเข้าข้างความรู้สึกตัวทุกโอกาสาะมันสําเร็จประโยชน์ไม่ใช่ไปเข้าข้างความผิดความถูกความรักความชั่งไม่ใช่เข้าข้างความรู้สึกตัวทุกโอกสสะสอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตา ม, า ม, า ม, า ม, มเข้าข้างความรู้สึกตัว ฟังรูไ้ไว้รเข้าข้างความรู้สึกตัวคนมุทิตาฟังรู้เรื่องไหมเข้าข้างความรู้สึกตัวมาทางนี้มาทางนี้ อ, นอย่าไปเข้าข้างความหลงความเหตุผลความชอบความไม่ชอบอืม เอาข้างความรู้สึกตัวทุกโอกาสทุกสถานการณ์นะปฏิบัติธรรมอ่ามาเล็กอกบเนี่ยกบพรพอครับอะหัมสะมาสโภะวตังภะวันตังิลาเวโตภะวตโมธะมมะสะ วันนู้นวันนี้